อาศัยอายตนะตลอดจนถึงกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายที่อาศัยอา ย, อายตนะบังเกิดขึ้นด้วยอันอายตนะนั้นท่านแปลว่าที่ต่อ แบ่งเป็นอายยตนะภายในหกภายในภายนอกหกคู่กันอายตนะภายในก็คือว่าจักหุหรือจักสุตาโสตหูคานะจมูกคิวหาลินกายะก็คือกาย และมโนหรือมณะก็คือใจส่วนภายนอกก็ได้เก่รูปซึ่งเราก็ใช้เรียกว่ารูปสัทธะคือเสียงคันทะคือกลิ่นรสคือรส ผลทพะคือสิ่งที่ถูกต้องและธรรมะในที่นี้คือเรื่องราวตากับรูปนั้นก็คู่กันต่อกันหูกับเสียงนั้นก็คู่กันต่อกัน จมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและผดทะพะสิ่งถูกต้องและมโนหรือมณะคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวก็คู่กันต่อกันเพราะเหตุที่ทั้งสองที่เป็นคู่กันต่างต่อกัน จึงเรียกว่าอาญตนะและในข้อที่ว่าโดยอาญตนะนี้พระบร ม, มศาสด า, า, าได้ตรัสสอนให้พิจรารณา รวมความเข้าว่าให้ตั้งสติกําหนดให้รู้จักตาให้รู้จักรูป และให้รู้จักว่าตาและรูปอาศัยตาและรูปสัญญต์คือความผูกแห่งใจย่อมเกิดขึ้นอาศัยหูกับเสียง อาศัยจมูกกับกลิ่นอาศัยลิ้นกับรสอาศัยกายและพลทตภัสิ่งถูกต้องอาศัยมโนโคือใจและธรรมะคือเรื่องราวสัญญต์คือความโผกแห่งใจก็เกิดขึ้น สัญญอดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญญอดจะละเสียได้ด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญญอ์ทีละแล้ว จะไม่เกิดขึ้นได้โดยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดให้รู้ดังนี้ในทางปฏิบัตินั้นก็ให้ตั้งสติ อยู่ที่จิตนี้เองอีกโมหารหนึ่งให้ตั้งสติรักษาอยู่ที่เทาวานทั้งหก ทวานก็แปลว่าประตูทวานทั้งหกในที่นี้ก็หมายถึงจักขุทวานประตูตาอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือรูปโสตะทวานประตูหู อันเป็นที่เข้ามาของเสียงของอารมณ์คือเสียงคารณทวานประตูจมูกอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือกลิ่นคิวหาทวานประตูลิ้นอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือรสกายทวานประตูกาย อันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือพลถัพพสิ่งถูกต้องมโนทวารประตูใจอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือธรรมะอันได้แก่เรื่องราวให้มีสติเหมือนอย่างในทวารบาลคือคนรักษาประตู ตัเมืองเป็นต้นและเมื่อกล่าวโดยตรงแล้วก็คือมีสติรักษาอยู่ที่จิตนี้เองและเมื่อมีสติรักษาอยู่ที่จิตก็เป็นอันว่ามีสติรักษาอยู่ที่ทวารทั้งหนั้นด้วย ัทั้ง 6, อันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์ทั้งหนั้นก็คือเข้ามาสู่จิตหรืออีกโบหารหนึ่งก็คือว่าจิตออกรับอารมณ์ทั้ง6ทางเทวานทั้งหนั้นเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติ ก็ให้หัดตั้งสติกำหนดอยู่ทุกขณะที่ตากับรูปประจบกันหูกับเสียงประจบกันเป็นต้นตลอดจนถึง มโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจบกันพูดง่ายๆก็คือว่ามีสติกำหนดอยู่ทุกขณะที่เห็นอะไรได้ยินอะไรได้ทราบใจได้คิดได้รู้อะไร โดยกำหนดจำแนกให้รู้จักว่าที่เห็นนั่นก็คือตากับรูปที่ได้ยินนั่นก็คือเสียงกับหูที่ได้ทราบนั่นก็คือ กลิ่นกับจมูกลิ้นกับรสสิ่งถูกต้องกับกายและเรื่องราวกับใจกำหนดจําแนกให้รู้จักดังนี้และเมื่อเกิดสัญญชน์คือความโผก แห่งจิตอันหมายความว่าเกิดความยินดีขึ้นในรูปในเสียงนั้นก็ดีเกิดความยินร้ายไม่ชอบใจในรูปเสียงเป็นต้นนั้นก็ดี หรือว่าเกิดความหลงไหลในรูปเสียงเป็นต้นนั้นก็ดีก็ให้รู้จักว่านี่คือสัญชน์คือความผูกอันหมายความว่าจิตนี้ผูกพัน หรือว่ารูปเสียงเป็นต้นนั้นยังผูกพันอยู่ในจิตจึงปรากฏเป็นยินดีชอบใจหรือยินไรไม่ชอบใจ หรือว่าหลงไหลยสยบติดอยู่ในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นก็กำหนดดูให้รู้จักว่านี่เป็นตัวสัญญชน์คือความผูกเพราะจิตมีสัญญาต์คือความวผูกพันอยู่นี้เองยินยินดีชอบใจหรือยินไร้ไม่ชอบใจ หรือว่าหลงไหลสยบติดในรูปเสียงเป็นต้นที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นทั้งหมดนั้นกาหนดดูให้รู้จักหลังนี้วันนี้คือตัวสัญญา์คือความผูกจิตผูกแล้วสิ่งนั้นสิ่งนั้นผูกพันอยู่ในจิตแล้ว หรือว่าจิตผูพกพันอยู่ในสิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกำหนดให้รู้จักดังนี้และก็กำหนดให้รู้จักต่อไปว่าที่ผูกพันนั้นเพราะอะไร ก็เพราะว่าไม่รู้ตามเป็นจริงไม่รู้ตามเป็นจริงว่าอย่างไรไม่รู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดดับไปแล้ว คือผ่านไปแล้วที่ว่าผ่านไปแล้วนั่นก็คือว่าประสบแล้วก็ผ่านประสบก็เป็นเกิดผ่านก็เป็นดับเหมือนอย่างเมื่อตากับรูปประจวบกันคือเห็นอะไร ขณะที่ประสบกันนั่นก็เป็นเกิดแล้วก็ผ่านเพราะว่าการเห็นนั้นเกิดขึ้นและก็ดับผ่านไปทันทีจึงได้ประจวบกันเข้าใหม่ ก็เป็นการเห็นใหม่การเห็นใหม่นั่นก็เกิดดับจึงมีการเห็นใหม่ต่อไปอีกเพราะว่าอันสิ่งที่เห็นนั่นอยู่ภายนอก รูปที่เห็นก็อยู่ภายนอกที่เป็นรูปจริงๆตาที่เห็นที่เป็นตาเนื้อถึงจะอยู่ในตัวเองแต่ก็ชื่อว่าภายนอกเองเหมือนกันเพราะว่าการเห็นเห็นที่ตาเนื้อเรานี้ส่วนที่เข้าไปตั้งในจิต นั้นรูปที่เห็นไม่ได้เขาไปตั้งในจิตสิ่งที่เข้าไปตั้งในจิตนั้นก็คือว่าอารมณ์คือเรื่องเรื่องของรูปนั้นเข้าไปตั้งอยู่ในจิตซึ่งอารมณ์คือเรื่องนั้นไม่มีตัวไม่มีตนอะไร เป็นเรื่องส่วนที่เป็นรูปร่างที่เรียกว่าตัวตนนั้นตั้งอยู่ในภายนอกเห็นใครคนที่เห็นนั้นเขาก็ยืนอยู่ข้างนอกต้นไม้ที่เห็นนั้นก็อยู่ข้างนอกบ้านเรือนที่เห็นนั้นก็อยู่ข้างนอกทุกอย่าง ส่วนที่เข้าไปตั้งอยู่ในใจนั้นเป็นอารมณ์คือเรื่องเท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เห็นไปแล้วเพราะสิ่งที่เห็นทุกทกุคราวที่เห็นนั้นก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปดังที่ปรากฏแ ก, ทก่ทุกๆุกคน ตากับรูปที่มาประจบกันช่วนอาทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยรูปกี่สิบกี่ร้อยครั้งแต่คราวนี้อารมณ์คือเรื่องของรูปที่เห็นนั้นตั้งอยู่ในจิต ผูกพันอยู่ในจิตเป็นตัวสัญญชต์อยู่ในจิตจึงเหมือนอย่างว่าเป็นบุคคลเป็นต้นไม้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นทุกๆอย่างเข้าตั้งอยู่ในจิตเหมือนอย่างมีตัวมีตนความที่ปรากฏดังนี้ ก็ปรากฏเป็นเรื่องของขันเป็นตัวสัญญาคือความจำหมายซึ่งเป็นไปตามธรรมดาของขันนั้นอย่างหนึ่งและ เป็นสัญญต์คือความผูกพันอีกอย่างหนึง่งคือมีความผูกพันอยู่ในอารมณ์ที่ปรากฏนั้นอันปรากฏเป็นความยินดีความยินร้ายความหลงไหลดังกล่าวนั้นนั่นเองดังนี้คือเรียกว่าเป็นสัญญ์ คือความผูกพันชอบก็เพราะผูกพันถ้าไมา่ผูกพันความชอบก็ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่โกรธก็เพราะผูกพันถ้าไม่โกรธถ้าไม่โกรธถ้าไม่ผูก พ, พันความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่หลงไหลสยบติดก็เพราะผูกพันถ้าไม่ผูกพันก็ ไม่ลหลงไหลสยบติดเพราะฉะนั้นเพราะเหตุที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอันที่จริงนั้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบสิ่งที่ได้รู้ได้คิดทุกอย่างเกิดดับไปแล้ว ไม่มีตัวตนอะไรตั้งอยู่สิ่งที่ยังตั้งอยู่นั้นก็คือตัวสัญญชน์คือความผกพันซึ่งเป็นตัวความปรุงความแต่งขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นหรือปรุงแต่งเงาที่ไม่มีตัวตนให้เป็นตัวตนขึ้นมา แต่อันที่จริงนั้นทุกอย่างเกิดดับไปแล้วทุกขณะเพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงดังนี้ตามที่พระพุทธเธจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้เราพิจารณาดูว่าจริงไหมที่ท่านสอนไว้ก็จะต้องรับว่าจริงเพราะไม่มีตัวตนอะไรตั้งอยู่จริงๆ เป็นความผูกพันเป็นความปรุงแต่งของจิตทางนั้นสัญโญยญ์มังเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงดังนี้และเมื่อรู้มือเห็นตามเป็นจริงสัญโญย์ก็จะละได้และถ้าหากว่าทำให้รู้เห็นตามเป็นอยู่ตามเป็นจริงอยู่ได้ตลอดไปสรญโญย์ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก กำหนดทำความรู้เท่าทันไว้เพียงเท่านี้ก่อนและศึกษาปฏิบัติกำหนดให้สัจจะคือความจริงนี้ปรากฏชัดขึ้นทุกทีเมื่อชัดขึ้นได้มากเท่าไรก็จะทำให้หละสัญญยตไดเท่านั้นและป้องกันสัญญชนไดเท่านั้น การที่จะปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นได้ดังนี้คือจะละสัญญได้ก็จะต้องฝึกหัดตั้งสติขั้นต้นตั้งสติให้มีสติกำหนดอยู่ทุกขณะที่ เห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบที่ได้คิดได้นึกอะไรแยกให้รู้จักว่า น, นี่เป็นรูปนี่เป็นตานี่เป็นเสียงนี่เป็นหูเป็นต้นแล้นี่เป็นสัญญที่เป็นสัญญชตก็เพราะยังไม่รู้ตามเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าไปยึดไปผูกพันในสิ่งที่ไม่มี ไปปรุงแต่งให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาในจิตคึงความปรุงแต่งนั่นก็เป็นความปรุงแต่งเหมือนอย่างว่าวาดภาพลงไปในแผ่นกระดาษหรือในแผ่นผ้าให้เป็นภาพคนเป็นภาพต้นไม้เป็นภาพอะไรต่ออะไรตามต้องการ แล้วก็ก็ไปยินดียินไรไปลหลงไหลอยู่ในภาพที่เขียนก็ น, นั้นว่าเป็นจริงเหมือนอย่างว่านี่เป็นต้นไม้จริงนี่เป็นคนจริงนี่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจริงแต่อันที่จริงนั้นเป็นภาพทางนั้นไม่มีตัวจริงอยู่หรือเหมือนอย่างดูพยับแดด ก็ปรากฏเป็นภาพต่างๆดูเม็ที่ลอยไปในอากาศนึกว่าเป็นภาพสัตว์เป็นภาพคนเป็นภาพอะไรบางทีก็เห็นเป็นภาพนั้นเป็นภาพนั้นก็เป็นภาพขึ้นในจิตใจทางนั้นซึ่งอันที่จริงไม่มีอะไรอยู่ทุกๆอย่างนั้นเกิดดับไปหมดแล้วแต่ยังผูกพันอยู่มันตั้งสติตรวจตราพิจารณาอยู่ดังนี้ สัจจะคือความจริงอย่างไรก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะป้องกันสัญญาจะละสัตว์ความผูกได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดังนี้จึงเป็นการปฏิบัติขัดตั้งสติให้รู้ เข้าทันปัจจุบันธรรมในตนเองอันเป็นทางปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อดับทุกร้อนทั้งหลายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม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 ที่แปลว่าองค์ของความรู้หรือองค์ขสมบัติองค์คคุณของความรู้ซึ่งเป็นตัวปัญญาโพชงนี้เป็นหลักปฏิบัติสำคัญหมวดหนึ่งรวมอยู่ ในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธองค์ผู้พระบรมศาสด า, าได้ทรงแสดงโพชฌงแยกออกเป็นส่วนหนึ่ง จากสติปัฏฐานก็มีดังเช่นที่ได้รับแสดงไว้ถึงหลักปฏิบัติไปโดยลำดับว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย คือมีสติสำรวมใจเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอันเป็นอายานะภายในทั้งหก เรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่แต่ละข้อในหน้าที่ของตนตาเป็นใหญ่ในทางเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในทางฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการทราบกลิ่น ลิ้นเป็นใหญ่ในการสราบรถกายเป็นใหญ่ในทางถูกต้องสิ่งถูกต้องมโนคือใจเป็นใหญ่ในทางคิดหรือรู้เรื่องราวทั้งหลายความมีสติคอยสํารวม